เสียงชนีสมชายของหลวงพ่อร้องบอกเหตุนะเสมชายเป็นอุตุประจําวัดถ้าหาว่าจะหนาวสมชายก็จะต้องประกาศจะหนาวแล้วนานลงพ่อจะหนาวแล้วนะหลวงพ่อต้าจริงๆนะแต่บัดนี้พอมันหยุดหนาวนะมันหนาวมาหลายวันพอหนาวหลายวัน มันก็ประกาศอีกจะร้อนขึ้นมาแล้วนะอุ่นขึ้นมาแล้วนะผมมันหนาวมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่เป็นวันที่ห้าอากาศอุ่นขึ้นมาแล้วแล้วก็อากาศอุ่นขึ้น ม, มันก็ประกาศอีกทีหนึ่งเวลาฝนจะตกมันก็บอกเวลาฝนจะหยุดก็บอกอุตุประจังวัด มันดูๆแล้วมันเก่งกว่าคนอยู่นะเก่งกว่าคนชาวบ้านวันนี้เป็นวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลโยมผู้การจังหวัดได้มาพาลูกน้องบริวาร วงศาคณาญาติมาปฏิบัติธรรมคือความที่ถัดมาคือมาตรวจงานมาเยี่ยมเยียนลูกน้องอ่าอำเภอนายุงมาตรวจการเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาใกล้วัดหลวงพ่ อ, อท่านก็พาลูกน้องบริวารเข้ามามาพักวัดหลวงพ่อเมื่อคืนนหลวงพ่อก็อาพานําไหว้พระ สมาธานศีลห้าตามประเพณีนี่เมื่อเขาสู่วัดก็ต้องปฏิบัติตามศาสนาพิธีที่โบราณโบราณนกการให้พาคณะสัทธา ญ, ญาิโยมลูกหลานปฏิบัติจากนั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าวแนะนำวิธีการปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ว่าเรื่องจิตภาวนาแต่ถึงยังไงโยมผู้การท่านก็เคยเข้าคอร์สมา ผ่านมาทางหลวงปู่วิทยังแต่หลวงพ่อมาเขาเนี่ยกันมาเสริมเพราะอีกส่วนหนึ่งบางทีเพื่อจะให้ผู้ที่ติดตามได้เรียนรู้ได้ศึกษาลูกหลานที่เป็นนายร้อยตำรวจก็มีที่มาด้วยเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลเมื่อเช้าเราก็ย ไ, ไปใส่บาทตักบาทพระสงฆ์ พระสงฆ์ในวัดของหลวงพ่อวันนี้ก็ทั้งหมดมีอยู่35มห้ารูปพระในวัดของเราแต่ในพรรษาก็ประมาณ50พระองค์พอออกพรรษากันเ่ยืนพื้นอยู่ขนาดนี้แหละ 30-40 ี 30, ่องค์แต่วันนี้มีพระทั้งหมด3 8มสิได้นั่นะโยมผู้การผลตำรวจตรีวีระพง์วงศสมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผู้ติดตามพลทหารผ่านตำรวจเอกชัยพงศ์ทรงพลนภณภจรรองผู้กํากับรองผู้ก ำ, ก ผ, กำผู้กำกับการฮผู้บังคับการอ่หลวงพ่อเรียกไม่ถูกนะลูกหลานนะท่าเรียกไม่ถูกต้อบอกหลวงพ่อนะ แล้วก็พันตารวจเอกทวัชชัยถุงถุงเป้าอันนี้เ็เป็นรองสองที่พาลูกน้องบริวารทั้งหมดยี่สิบกว่าท่านมั้งที่มาพักในวัดของหลวงพ่อเมื่อคืนนี้เนี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อว่าประเทศไทยของเรากำลังจะเข้า สูป่ประชาคมอาเซียนพวกผู้นำทั้งหลายอย่างทีนะ่อย่างโยมผู้การเนี่ยนะเนี่ยเป็นหัวเป็นผู้นำของจังหวัดแล้วก็พวกเราก็ติดชายแดนลาวเขมรเวียดนามในช่วงนี้ที่ประชาคมอาเซียน เมื่อเมื่อเราเข้าสู่ปร ะ, ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลวงพ่อว่าบุคลากรของพวกเราเนี่ยพร้อมหรือยังเนี่ยจุดนี้แหละถ้าว่าพวกเราบุคลากรของเราไม่พร้อมน่ถ้าเข้าเราเข้าไปแล้วก็เสียเปียบเสียเปียบถึงอย่างไรกันคล้ายๆกับว่าเขามาเกาะมา่วงเราก็ตุปัตูปเปเพิดจะทำให้ประเทศชาติ ล่มจมจีบหายได้ไง่ายๆเหมือนกันนะถ้าหากว่าพวกเราไม่พร้อมเพียงไม่สามัคคีกันให้ดีนี่แหละหลวงพ่อก็เคยมีโยมมาถามนะท่านด็อกเตอร์อัมพลกิติอัมพลเคยมาท่านมาสร้างกุฏิไว้ที่วัดหลวงพ่อนะแม่โยมแม่ของท่านคุณแม่ของท่านมาสร้างที่กุฏิปีสามหก ตั้งแต่ปีสาหท่านเคยมาพักมาปฏิบัติธรรมหลายครั้งตัวของท่านก็เคยมาปีปีหนึ่งเมื่อส4มสี่ปีให้หลังท่าน่าหลงตาท่านถามหลวงพ่อนะท่านท่านเรียกหลวงพ่อว่าเป็นหลงตานหลงตาจะเขียนพัฒนาแผนที่ 10-11 เนี่ยจะเขียนยังไงเพื่อพัฒนาประเทศเพราะท่านเป็นเป็น เขียนแผนพัฒนาในช่วงนั้นหลวงพ่อก็บอกไปเลยว่าออท่านดเรเขียนแผนพัฒนานต้องพัฒนาคนก่อนนาะถ้าคนของเราคนในชาติของเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีประเทศชาติจะไปได้ดีแต่ถ้าว่าคนในชาติของเราเ อ, อ่อมีแต่แต คนไม่ดีเว่าคนไม่ดีก็แล้วกันมันไม่ดีหลายๆลยอย่างเขาว่าไม่ดีคำนี้ถ้าคนไม่ดีในประเทศชาติบ้านเมืองมากถึงจะพัฒนาประเทศหรูหราโออาสวยงามขนาดไหนก็เถอะท้งด้านวัตถุคนในชาตินั่นแหละจะเป็นผู้ทำร้ายทำลายมีตั้งแต่ยาเสพติดมีแต่ความมึนเมามีตั้งแต่โลบโหโมกณนะอยู่ด้วยกัน คนที่ถกคนน่ะประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรถ้าคนในชาติไม่พัฒนาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพราะนั้นเรื่องคนในชาติเนี่ยต้องพัฒนาคนก่อนถ้าคนดีแล้ววัตถุทั้งหลายมันจะตามมาถึงจะไม่พัฒนาก้าวกระโดดก็เถอะคนในชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุเพราะคนในชาติไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไปน่าจะานที่ใดไม่มีขโมยโโพยโจรเพราะทรัพยากรของประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยสมบูรณ์อยู่แล้วมีแต่พวกเราจะแบ่งสันปันส่วนกันอย่างไรจะดูแลกันอย่างไรจะทํามาค้าขายอย่างไรในประเทศในโลกมิใช่ว่ามันมีทรัพยากรถูกแต่ไม่มีใครบริหารจัดการอันนี้มันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน ถ้าเรามองแบบสิงคโปร์นะประเทศเขาเล็กๆแต่เขามีหัวคนของเขามีหัวมีสมองเขาพัฒนาไปยังไงทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรในประเทศของเขาแต่เขาก็ก้าวกระโดดแต่นี่พวกเรามีทั้งทรัพยากรภายในประเทศอาหารการบริโภคหรือเฟื่อทรัพยากรของเรามาก แลว้วก็ธรรมชาติก็ไม่ได้ฆ่าพวกเรามากแผ่นดินก็ไม่ไหวน้ําก็ไม่ท่วมเท่าไหร่ทิมันทะน้ําท่วมปีห้าสี่นั่นก็นั่นแหละก็คือพวกเราไม่เห็นน้าไปตามธรรมชาติเพราะมันทิฏฐิมานะของคนในชาติอีกเหมือนกันนะั่นนะคัดง้างกันผลในจุดเลยน้ําท่วมกรุงเทพจะหลายเดือนเสียหายมากอันนั้นก็คือธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ฆ่า คนในชาติมากและอาหารการบริโภคเราจะเอาอะไรในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยไดช่วยกันพัฒนาแล้วหลวงพ่อเองอยู่ในป่าดงพงไัยมองดูแล้วมีแต่อุดมสมบูรณ์สรุปแล้วก็คือพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เ, เกิดมาอยู่ในปฏิรูปรประเทศปฏิรูปรเทศสวา์โซจัในหลัก ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนาะปฏิรูปประเทศสวั์โซ่จจปุเพจักะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปานิธิเนะี่ยปฏิรูปประเทศคือประเทศที่เหมาะสมในธรรมชาติไม่ได้ฆ่าพวกเรามากหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับต่างประเทศเขาหิมะม ก, ก็ไม่ตกร้อนก็ไม่ถึงกับร้อนแบบประเทศอินเดียคนตายไม่ถึงขนาดนั้นร้อนก็บ้าง หนาวก็บ้างฝนตกก็พอเหมาะก็ไม่ถึงกระแล้งอีกต่างหากถึงจะแล้งยังไงมันก็ยังมีมีน้ำกักตุนให้ได้ทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนได้อยู่อันนี้เราปฏิรูประเทศวาโซจ่าปุปเพจักตะปุญจะตาพวกเราคงจะได้ทำบุญสร้างบุญไว้ในอดีต อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าตายแล้วไม่สู์ตายแล้วเกิดอีกนในหลักของพุทธศาสนาปุเพจั ก, กะตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาติในอดีตแตชาติก็อย่างชาตินี่แหละเออเกิดมาพบนาชาตินาถึงข้าพเจ้าได้เกิดในสถานที่ใดก็ตามอย่าให้คำว่าอดอยากก็ดีอยากําว่าเป็นพิษภัยอันตรายในยุคสมัยข้าพเจ้าเกิดขอให ร่มเย็นเป็นสุขเกิดในในพพุทธศาสนาเกิดในสถานที่พบบัณฑิตนักปราชญ์พบหลักศีลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือเราได้ตั้งความปรารถนาไว้นะปุบเพจกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิในเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วนี่ปรารถนามาเกิด เ, เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ พะสมควรวัดอธรรมธรรมชาติก็ไม่ฆ่าเราอย่างที่ว่าแต่นี่เราท่านว่าควรจะตั้งตนให้ชอบมาเกิดขึ้นมาแล้วควรจะตั้งตนให้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องสิ่งที่มันไม่ดีนั้นถ้าเราคิด เ, เราเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแคว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วตั้งตนไว้ไม่ชอบสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองคิดก็คิดชั่วทำก็ทำชั่วพูดก็พูดชั่วคำว่าชั่วคำนี้นมีมากมายถ้าเราได้สักไซไลเลียงดูแล้วมันมากดีก็มีมากมายชั่วก็มีมากมายแต่ว่าอันไหนชั่วอันไหนดีอันนี้เราได้รับการศึกษา มาด้วยกันทุกคนแล้วรู้ได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเมื่อกำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอักกตังทุกกระตังเชื่อยโยปัตซาตปติตุกกตังกำชั่วอย่าทำ เ, เลยดีกว่าเมื่อทำกำชั่วกำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อน อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะอันนี้ว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบนะอปฏิรูประเทศสวาโซจ่าเนีปุกเพจจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้อยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเอ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงพระพรหมวงศสานุวงศ์สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณการ ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมีที่ไปที่มาทั้งหมดประเทศไทยมา จ, จากไหนอย่างไรถ้าว่าพวกเราคิดดูประวัติศาสตร์แล้วนะเราจะวางตัวถูกแต่ถ้าเราไม่คิดดูประวัติศาสตร์แล้ววางตัวไม่ถูกนะเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเราอยู่ด้วยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะ เป็นเครื่องเชิดชูบูชาเอในพระพุทธศาสนาทําไมหลวงพ่อจะเปรียบยกให้ฟังอย่างพวกเราเนี่ยจะรับศีลก็เหมือนกันพวกว่าเล่าว่าณโมซะก่อนนะณโมตัสสะพระเกวัโตจะทําสังฆกรรมอะไรก็ตามจะลงอุโบสถเ อ, อจะทําอะไรก็ตามในพระสงฆ์เนี่ยจะต้องห น, น่บนพระพุทธเจ้าซะก่อนณโมตัสสะพระเกวัโต ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาครหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธศาสนามีที่ไปที่มาต้นศาสนาต้นความคิดคือพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันนะประเทศชาติชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้ดูแลปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือตระกูลนี้ นี่ที่รักษาเพราะนั้นมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราถ้ า, าว่ารู้จักประวัติศาสตร์ดูให้ดีแล้วพวกเราจะวางตัวถูกนะมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่สิ่งควรไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเราจะวางตัวถูกแต่ถ้าว่าเราไม่ดูประวัติศาสตร์นะเ อ, อมีแต่ข่าในใิย่อยโพสุขก็เลยลืมตัว เอ่ลืมตัวพอลืมตัวเท่านั้นแหะเสียหายเกิดขึ้นความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกก็เกิดเกิดขึ้นในชุมชนผลที่สุดก็เดือดร้อนมาหาตนเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะเรื่องศีลธรรมจริยธรรมควรจะเดินตามแนวแถวของพุทธทาสนะอย่างที่พระพุทธอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนเนมะื่อคืนเนี่ยเรื่องศีลห้านะี่ เรื่องสินห้าเขาเราเขาเราเขาเราถ้าว่าเราไปทำให้กับเขาเขามาทำให้กับเราล้วนแล้วแต่มันเสียหายทั้งหมดไม่ดีเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นถ้าคิดทำพูดในเรื่องนั้นแล้วนั่นอ่ะเพราะประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของเราทุกคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้น ต่างคนก็ต่างเก่งเกรงใจกันในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําำเกรงใจกันเพราะต่างคนอก็ต่างเลี้ยงชีพในพื้นแผ่นดินไทยผื้นนี้สิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีต้องระวังถึงคําพูดก็เถอะเป็นลมปากแต่พูดออกไปแล้วเสียหายฮเราก็ต้องระวังคําพูดของเราเองทําคําพูดของเราเนี่ยพูดให้เจริญรุ่งเรืองก็ได้ โทษให้ติดคุกติดตารางก็ได้การกระทาก็เหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงคิดนี่ยคิดขึ้นมาเลยอย่างยังไม่มีโทษนะแต่ในหลักของพุทธศาสนาปรับโทษเหมือนกันนะไอ้คนที่คิดขึ้นมาเรียกว่ามนโนกรรมคิดในทางที่ไม่ดีก็เป็นบาป ท, ทําให้จิตใจเศร้าหมองทํามื่อจิตใจเศร้าหมองนรกเป็นทางไปเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านปรับกระทั่งแนวความคิดแต่ทางโลก พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีแต่คิดซะก่อนยังไม่ทำอะไรนะยังไม่มีโทษพอคิดเสร็จแล้วนะกระทำออกไปนะมีโทษการพูดออกไปก็มีโทษแต่ถึงยังไงหลักของพุท ธ, ธาเนี่ยออกมาจากใจทั้งหมดนะอ อ, ออกมาจากใจเพราะนั้นให้พวกเราสํารวมใจดูที่ใจเอาธรรมะคำสั่งสอนเข้าดูใจอบรมใจ อย่างที่ท่านโยมผู้การพาลูกน้องมาเมื่อคืนเนี่ยนะมาอบรมใจคือหลวงพ่อให้นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทาใจให้นน่งเมื่อใจนน่งใจสงบแล้วนะ่ะจะมองดูได้ใจของเราเนี่ยนึกคิดเรื่องอะไรนะจะปรับปรุงแก้ไขใจของรตนเองได้ถ้าคนมีสติสำปชัญญะในจุดนั้นแต่ถ้าว่าไม่ได้ดูใจของรตนเองไม่รู้ว่าใจคืออะไร ถ้าโมโหโกโรธาขึ้นมาล้งางไปอยู่ไม่มีเบรกใจไม่มีเบรกถ้ารักก็รักไม่มีเบรกโกรธก็โกรธไม่มีเบรกเพราะเ ห, หอะไรเพราะว่าใจของเราขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านควรสํารวมระวังเรื่องใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอย่างที่พระพุทธเจ้าในหลักธรรมคําสอนของพุทธะ ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะย่ า, ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องท้งหลายเรื่องทั้งหลา ย, ท, ลายทั้งปวงนะ่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ ใ, ใจแต่นามะธรรมเป็นนา ม, มะธรรมนน ม, ม, รร ม, มองไม่เห็นจุดนี้แต่ทางโลกเขาว่าทางวิทยาศาสตร์เขาควาตสมองสมองเป็นผู้คิดนะ แต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคำสอนของพุทธานใจเป็นผู้ไปใช้สมองอีกที่นึงสมองนะ่ะเหมือนกับอยู่ในรถที่ราคาแพงๆมันมีคอมพิวเตอร์อยู่ในสมองคนจะต์ทเครื่องขึ้นมาแล้วกันนะสมองก็สั่งงานนะเออมันก็บอกว่าน้ำมันมีเท่าไหร่ตาซ้ายตาขวายางล้อหน้าล้อหลังมันจะบอก มันจะบอกในจอขึ้นมาถ้ามันผิดปกตินะแต่รถมันรู้ไหมมันไม่รู้แต่โซเโฟร์นี่รู้ฮะซูโฟร์อ่านดูแล้วเออรถคันนี้มันน้ำมันมันจะไปไม่ได้ไกลน้ำมันมันแห้งน้ำมันเครื่องมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ดูที่จอของมันนี่ก็เหมือนกันใจของเราเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายเราก็รู้ได้ว่าร่างกายของเรามีอะไร แต่วิทยาศาสตร์หาตัวนั้นไม่เจอนะหาตัวใจตัวนั้น่ะมันไม่หาตัวไม่เจอหาได้หาได้แต่สมองนะถึงสมองนะแต่หลักของพุทธศาสนาเนะี่ยหาได้ถึงใจตัวผู้รู้นามธรรมมาใช้สมองอีกที่หนึ่งเพราะนั้นพวกเราคนคว้าศึกษานะจุดนี้นะพุทธศาสนาที่ท่านเน้นหนักเรื่องของใจนะเป็นอันดับหนึ่งนะ อาลับผอนในสดานอนุมัติส่งอนุโมทธนาให้พ่